ทิ่ย์ปีแทนที่จะปรยโยพระโอรสและหาทางขับไลสส่สตรงไปจากพระราชอณาจักรอย่างที่กระจัดทั้งหลายทรงจัด ก, การกับพวกกบฏแย่งราชาสมบัติพระองค์กลับทรงเรียกประชุมเสนาอามาตย์ราชวงศ์แล้วประกาศมอบราชสมบัติแก่พระโอรสตั้งแต่บัดนั้นและทางฝ่ายเจ้าชายอายชาศัตรูล่ะเมื่อได้ไปกระจัดจมปรารถนาแล้ว พระเจ้าอาชาชิรูก็รีบไปแจ้งข่าวดีนั่นแก่พระเทวทัตพระเทวทัตคงจะดีใจด้วยสินะเร้าเลยพระเทวทัตไม่ได้ยินดีด้วยเลยทักนิดเดียวนำซ้ำยุยงให้พระเจ้อาอาชาติตรูประกอบกำอังยากช้าต่อไป องค์จะนม่อยู่ใดต่อไปไม่ได้ต้องรีบหาทางกําจัดพระราชาเถิดจะต้องกำจับทําไมอีกในเมือเ่อเปรจพ่อก็ยอมมอบราชสมบัติให้แล้วมันเป็นอุบายทั้งนั้นอุบายอุบายให้พระองค์ตายพระไทยคิดว่าสมปราถนาแล้วแต่ความจริงในยังก่อนมหาบพิทธเวลานี้พระองค์มาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ขังสนัขจ้งจอกไว้ภายในกรงเดี๋ยวเข้าใจว่ากรดไทยดีแล้วฮะต่างไมไม่ขา สุนัขตุ้งจาะก็จะกัดหนังหุ้มกรงออกมาทําอันตรายแกบุรุษนั้นได้กรณีของพระองค์ก็เช่นเดียวกันไม่ไม่ทาพระราชบิดาของพระองค์ก็จะทรงเสดายราชสมบัติแล้วก็นึกโกรธเคืองพระองค์ที่ลูม้มลิ้งเยียดหยามแล้วก็จะถาถานกําจัดพระองค์ซะกลับไปเป็นพระเจ้าแผ่นดีนเพื่อเองไม่ไม่ทาแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเสน็จพ่อคงไม่ทําอย่างนั้นหรอก สเสด็จพ่อของพระองค์ไม่ทําแต่ข้าราชาบริหารดังของพระองค์นั่นสิจะยุบลงส่งเสริมทําไม่เชื่ออตมาก็ขอยดูข้าพเจ้าท่านบุตรเจริญแล้ะข้าพเจ้าจะทํำไงล่ะลงพระชนกไม่ควรจะปล ong พระชนกษัตริย์ด้วยสัตวาก็จับพระองค์ขังไว้ในห้องให้อดพระกยาหาจนกว่าจะหมดกําลังซึ่งพระชนกเองข้าพเจ้าจะทําตามทีม่ท่านบุตเจริญแนะนํามานี้ แล้วต่อไปท่านพ ว, วุโสนิ ม, มละพระเจ้าอัชาสะตรูเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตแล้วพระองค์ก็สั่งให้อมาร์ผู้ใกลชิดจับพระราชบิดาไปขังไว้ในเรือนจำพิเศษอันร้อนรุ่มไปได้วยควันไฟซึ่งใช้สำหรับนักโทษสำคัญสำคัญแล้วเขามีรับสั่งห้ามไม่ให้ใครไปเยี่ยมไปนั้นขาดนอกจากพระราชเทวีเพียงองค์เดียว แม้พระราชเทวีก็ถูกห้ามไม่ให้นำพระกรยาหารไปถวายพระราชาสามีและได้วความรักประรงการในพระสวามีอย่างสุดทิตจิตใจพระราชเทวีได้เอาพระกรยาหารใส่ในขันทองคำทรงซ่อนขันทองคําไว้ที่ชายปูสาลักรอบนําไปถวายพระสวามีเป็นประจําการกระทำของนางเป็นที่รู้กันดีในระหว่างทหารยามผู้รักษาประตูเรือนจา แต่ไม่มีใครกล้าว่ากล่าวห้ามปรามจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปพันนำมาประเดพ่อของเราเป็นยังไงยินพระทนหรือยังยังไปเยค่ะ ถูกจำคังอยู่นานแล้วทั้งยังไม่ได้กินอะไรทําไมท่งนี้ไม่ตายล่ะมีคนลักลอบอาอาหารเข้าไปหรือไงไม่ไปละจ่ะไปจับมันมาลงโทษเดี๋ยนได้โปรดกราบพระองค์เราจะไม่เมตตากับมันพูดนนด้ําเบงคาเราห้ามแล้วมันไม่ฟังถือว่ามันต้องการลองดีกับเราไอ้คนพูดนั้นเป็นใครไปเอาตัว ม, มาผู้ที่นําพระกยายารเข้าไป ก็คือพระราชเทวีพญะค่ะเล่าต่อไปสิท่านผววู้อาวโสดิน ม, มาละเมื่อพระเจ้าอาชาติตรูทรงทราบว่าพระราชบิดายังมีพระวรกายแข็งแรงก็ด้วยพระกยาหารที่พระราชเทวีทรงซ่อนมาในชายภูสา จึงทรงห้ามพระราชมารดาไม่ให้ทรงซ่อนพระกยาหารไปในชายภูษาอีกฝ่ายพระราชเทวีหาทรงยอมแพ้ใหม่พระนางทำยังไงเมื่อห้ามไม่ให้นำไปได้ทายภูษาพระนางก็ทรงนำพระกยาหารไปในพระเมวรีจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานพอสมควรพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ไม่รับสั่งถามถึงพระอาการของพระราชบิดาอีกแต่เมื่อทราบว่า ยังมีพระทนอยู่ด้วยพระกาหารที่พระราชมารดาทรงซ่อนไปในพระมอรีพระองค์ก็รับสั่งห้ามมาให้พระราชเทวีทําเช่นนั้นพระราชเทวียอมแพ้หรือเปล่าไม่ยอมแพ้คราวนี้ทําวิธีไหนอีกล่ะคราวนี้พระราชเทวีทรงซ่อนพระกาหารไว้ในพระบาททองซ่อนพระกาหารไว้ในพระบาททองถูกแล้วโดยปิดเป็นอย่างดีแล้วทรงฉลองพระบาทเข้าไป พระเจ้าพินพิสานก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยพระกาหารนั้นพระเจ้าอาชาติตระโรว์ไหมในที่สุดพระองค์ก็รู้จนได้สัางข้าบิกรสิถูกแล้วมีรับสั่งหาใหม่พระราชเทวีทรงจลองพระบาทไปเยี่ยมพระราชเทวีทํำยังไงล่ะทอหรือเปล่าเปล่าเลยพระราชเทวีไม่ได้ทรงยอดทอคราวนี้พระนางทรงสนานพระวรากายด้น้ําหอม ทรงเอามัทธรสตริประการคือเนยใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยทาพระวรากายทรงห่มภูษาคลุมแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมพระราชาธิดาจึงยังทรงพระชนชีพอยู่โดยการเรียนลิ้มมัทธรสจากพระวรากายพระราชเทวีพระเจ้าชาติสตรูคงรู้เรื่องนี้อีกสิพระองค์รู้จนได้คราวนี้เลยสั่งมาให้พระราชมารดา พระเด็กไปเยี่ยมพระราชบิดาอย่างเด็ดขาดในวาระทุกท้ายพระราชเทวีทรงยืนเกาะประตูเรือนจำแล้วทูลด้วยพระเนตรนองไปด้วยน้ำพระเนตรเจ้าพี่นี่เป็นการเยี่ยมครงสุดท้ายของหม่อมฉันตั้งแต่นี้ต่อไป หม่อมทิานจะไปเยี่ยมพระองค์ไม่ได้อีกแล้วหากมุมท่านได้พระพุทธรื่งละเมิดในพระองค์ด้วยกายวาจาใจก็ขอได้ทรงประทานอภยัยแก่หม่อมท่านด้วยท่านผู้เจริญหลังจากนั้นพระราชาธิบดีก็จงอดพระกยาหาร แต่ธรรมดาพระอริยบุคคลหาได้วันไหวต่อภยัยใดๆไม่พระเจ้าพิมพิสารผู้ได้บรรลุโสดาปติผลตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาสเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ครั้งแรกเมื่อสามสิบปีเสร็จมาแล้วก็หาได้วันหวต่อมรณาภัยแม้กัะน้อยไม่ตรงกันข้ามพระองค์กลับใช้เวลาให้ผ่านไปโดยการเดินจงกรมไปมา เสวยสุขอันเกิดแก่สมาธิและมรรคผลมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักแม่วันเวลาจะผ่านไปพระองค์ก็หาได้สิ่งประชนใหม่พระเจ้าอาชาสรูว่าัวยังไงบ้างพระเจ้าอาชาสตรูไม่พอพระไทยเป็นอย่างมากที่พระชนกมิได้ที่วงคตสมความตั้งใจพระองค์มีรับสั่งเรียกในช่างการะบบกหลวมาหลายคน แล้วส่งมันให้เอามิโกนฝานพระบาททั้งสองของพระราชบิดาเอาน้ำมันและเกลือทาให้ดีแล้วย่างเลยไฟฐานตะเคียนในช่างกันระบบเหล่านั้นก็ไปกราบทุนพระเจ้าพิมพิสารด้วยน้ำตาที่นองหน้า เรื่องไปไหนเนี่ยหม่อมฉันไม่อาจทำได้พวกท่านไม่ทําก็ต้องถูกลงโทษนัเน้หม่อมฉันยอมถูกลงโทษดีกว่าจะทำร้ายพระงม่อมที่ทําไม่ได้ท่านทั้งหลายก็ทําตามพระบัญชาของพระราชาเถอะอย่าต้องเอาตัวมารับโทษเพราะเอาเลยเพราะถึอย่างไร เราก็ต้องตายเข้าสักวันหนึ่งไม่ตายด้วยวิธีนี้ก็ต้องตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไหนๆก็จะต้องตายแล้วก็ควรจะตายไปซะอย่าอยู่ให้ผู้อื่นต้องลำบากเชิญพวกท่านตามสบายเถอะหม่มฉันขอพระราชทานอภัย ในที่สุดพระราชาพิมพ์พิสารผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐก็สวรรคตสมความปรารถนาอันชั่วร้ายของพระเจ้าอาชาศัตรูท่านผู้มีอายุเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านเล่าเรื่องมาเนี่ยรู้สึกว่าพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทรงประกอบกรรมชั่วชาโดยอิสระเสรีดูเหมือนไม่มีใครคิดที่จะขัดขวางห้ามปรามเลยแม้แต่คนเดียว บรรดาอา ม, มาตาชาบริพานเก่าแก่ของพระเจ้าพิมพิสารไปไหนกันหมดทำไมไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือพระองค์เลยธรรมดามนุษย์ย่อมจะคิดถึงตัวเองก่อนคนอื่นย่อมคิดเอาตัวรอดเป็นประการแรกบรรดาขราชบริพานเก่าแก่ของพระราชาธิบดีรู้เห็นและไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ที่ไม่ช่วยก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรท่านอาวุโส เพราะคนเหล่านั้นได้รับสินบนรับสินบนจากใครจากพระเจ้าอาชาศัตรูพระองค์ให้คํามัน่นสัญญาว่าจะได้พระราชฐานตําแหน่งสําคัญสําคัญในพระราชาอาณาจักรต่างจึงหันไปเข้าข้างกษัตริย์หนุ่มจนหมดสิ้นทุกคนลืมพระราชาธิบดีดังเดิมเสสนิทหันไปร่วมมือกับกษัตริย์ทรราชเป็นอย่างดีเพราะเหตุนี้ พระเจ้าอาชาศัตรูจึงดำเนินงานได้อย่างสะดวกสบายท่านผู้มีอายุบรรดาขระราชบริพารเก่าผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าพิมพิสารทรงชุบเลี้ยงมาเขาเหล่านั้นหายไปไหนกันหมด หรือว่าหันไปเข้าข้างพระเจ้าอาชาศัตรูไม่มีเหลือถ้าอย่างนั้นคำว่ากัตัญยูกตวเวทีก็ไม่มีความหมายสิเขาเหล่านั้นน่ะไม่ได้หายไปไหนหรอกระาราชบริพานเก่าแก่บางคนสงสารพระราชาีิบดีอยากจะช่วยพระองค์เหมือนกันแต่ว่าแต่อะไรอ่ะท่านอวโสณิมาละทุกคนน่ะไม่รู้จะทำยังไงเพราะอำนาจต่าง อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูทั้แล้วทำอะไรลงไปก็ไม่มีประโยชน์นอกจากจะนำภัยพิบัติมาสู่ตนและครอบครัวเปล่าๆข้าราชบริพารเหล่านั้นจึงนิ่งเฉยซะเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยความสลดกลันทสดใจเอาละข้าพระเจ้าอยากจะฟังเรื่องราวของพระเทวทัตต่อรวมทั้งเรื่องของพระบรมศาสดาด้วย เมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้เป็นใหญ่เหนือมคธรัตแล้วพระเทวทัตคงจะรุ่งเรืองตามหรือยังไงเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้เป็นกษัตริย์แล้วพระเทวทัตก็คบคิดกับพระองค์เพื่อจะปลงพระชนสมเด็จพระผู้มีพระภาคครั้งแรกพระเทวทัตได้ตกลงกับพระเจ้าอาชาศัตรูทรงนายขมังธนูไปเพื่อจะให้ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเสด้วยลูกธนู แล้วต่อไปท่านพมีอายุในขมังธนูทางานสําเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะอะไรแหละด้วยอํานาจพุทธานุภาพพอนายขมังธนูยกธนูขึ้นสู่ไรเตรียมจะยิงแต่ก็ยิงไม่ได้ทําไมถึงยิงไม่ได้ธนูไม่รันลูกศรไม่รันออกจากแรงครั้งกะวางลงก็วางไม่ได้ยืนแน่นิ่งอยู่ในท่าเตรียมยิงเป็นที่ทุกทรมานยิ่งนัก ในที่สุดเขาเหล่านั้นก็ได้ฟังพระธรรมเกศนาของพระศาษษสดาได้บรรลุโสดาปฏิผลกลับไปพระเทวทัตก็ผิดหวังนั่นสิผิดหวังมากทีเดียวทั้งโทมนัดขัดขืงเป็นอันมากเมื่อผิดหวังอย่างนี้แล้วพระเทวทัตทํายังไงต่อไปล้มเลิกความคิดเดิมหรือเปล่าเปล่าเลยท่านปู่เจริญเมื่องานอันแรกล้มเหลวพระเทวทัต ก็ดำเนินงานอันที่สองต่อไปทำยังไงเลยวันหนึ่งคณะที่พระบรมศาสดากำลังทรงสำราญพระอริยาบทอยู่บนเขากิจกูดพระเทวทัตก็ได้แอบปีงขึ้นไปบนยอดเขาเนื้อที่ประทับแล้วก็กลิ่นก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาเพื่อจะให้ทับ พ, พระภูมีพระภาคเจ้าอแล้วเป็นยังไงต่อไปก้อนหินนั้น กลิ้งไปติดที่หินใหญ่อีกสองก้อนดูไม่ไกลจากพระบรมศาสดานะักแรงประทะทําให้ก้อนหินแตกกระจายเศษหินชิ้นหนึ่งกระเด็นไปถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าก้อนหินกระเด็นไปถูกถูกที่ไหนอ่ะแล้วพระบรมศาสนาเปยังไงบ้างเศษหินกระเด็นไปกระทบพระบาท ทำให้ห่อพระเราหยุขึ้นมาเท่านั้นค่อยล่องอกไปเป็นนันว่าแผนการชั่วร้ายของพระเทวทัตได้ล้มเหลวไปอีกครั้งหแต่นั่นก็หาทําให้พระเทวทัตละความพยายามใหม่จึงเริ่มแผนการขั้นที่สามต่อไปแผนการขั้นที่สามนี้พระเทวทัตเชื่อมั่นว่าจะปรองระชนพระภูมิพระภาดได้สําเร็จแผนการขั้นที่สามจะทำยังไงล่ะเป็นการปล่อยช้าง ปล่อยช้างปล่อยช่างนาราคิลีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหวังใจช้างตลงพระชนพระผู้มีพระภาคถูกแล้วเรื่องก็ไม่อยู่วะขณะนั้นเป็นเวลาเชา้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จไปตามถนนในกรุงราชครึก เพื่อพิจารณาตามปกติจนกระทั่งเสด็จมาถึงอย่างที่แห่งหนึง่ท ง, ท ง, ทงทางกรมาตัวมาทางวิ่งนี้เข้าบ้านเรือนตึกงเหลืต่พระโรมัช แ, าาและพาะ้สูงศักดิยืนไม่ในดไม่หม่มาทางกดูรายก็ส่งเสียงรองวิ่งมา คนตลบมาเย็นทรมนอยู่ข้างหน้าพระภูมิพระพาในขณะอันขับขันนั้นพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนขวาหน้าฌานเพื่อปกป้องพระป ร, ะรมาสตราสดาทำร่ า, านใจหายใจความขทงผสุทรงผู้ยังเป็นผุกดุจคน และบรรดาประชาชนที่ต้องรู้เหตุการณ์จากหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่ขาดฝันก็เกิดขึ้นกัด้วยอํานาจไม่ตาจิตของพระบรมศาสดาหรือด้วยอํานาจอะไรก็เหลือเกทางดุรลายส่งเสียงร้องต้องนักลอยหมอบอยู่แทบประบายของพระบรมศาสดายกเมือมงขึ้นเป็นเชิงสวายมากขึ้นซึ่งขยอดอย่างราบคา เจริญในขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าเองก็อยู่ในแถวของภิกษุโดยเสด็จพระบรมศาสดาเมื่อเห็นช้างนาราทีรีวิ่งจงมหาครั้งแรกข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติสัญชาติอย่างการหนีภัยเอาชีวิตรอดเกือบทำให้ข้าพเจ้าวิงจะแล้วดีแต่ว่าดีใจว่าอะไรท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นพระบรมศาสดา และบรรดาภิกษุสงค์อยู่ในอาการสงบก็รู้สึกระอายใจพยายามระงับใจให้เป็นปกติมอบความไว้วางใจในพุทธานุภาพแล้วก็ยืนต้องรู้เหตุการณ์ต่อไปด้วยอาการสงบเมื่อเห็นเหตุการณ์กลับ้ายจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนั้นข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ก็รู้สึกโล่งใจเหมือนมีคนยกเอาภกเขาเออกไปจากอก และเป็นยังไงต่อไปประชาชนจํานวนมากต่างก็เปิดประตูบ้านวิ่งมาดูเหตุการณ์อันตะลาดแล้วก็ออกปากแซ่ซองสรรเสริญพระพุทธคุณและความกล้าหาญเด็กเดียวของพระอานนุ์ที่ย้อนสารชีวิตของตนเพื่อพระบูมีพระภาท่านผู้เจริญมันเป็นเหตุการณ์ที่กะบัดเราจะรื้ไม่ได้จนกระอดจ้ะ เป็นยังไงต่อไปท่านผู้มีอายุการปล่อยช้างนาราคิรีเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์เป็นอากุศลกรรมอันหนักขิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าอาชาศัตรูและพระเทวทัพ ร, รวมมือกันกระทำหลังจากเหตุการณ์อ น, นาระทึกใจนั้นแล้วข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงดุดไฟไม้ป่าประชาชนต่างหันหน้าเข้าซุบซิบกันเป็นกลุ่ม ทุกๆคนเพ่งเล็งไปที่พระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาสโตเพราะข่าวการใช้ไหนขมังธนูไปยิงพระพุทธองค์และข่าวการกลิ้งศิลาทับพระบรมาสาราบนเขาก็เป็นทู้กันอยู่แล้วในคนบางคนแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนเท่านั้นว่าใครเป็นต้นเหตุเมื่อมีการปล่อยช้างนราคีรีอีกทุกคนจึงแน่ใจว่า ต้องเป็นพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูแน่ๆมีเหตุผลอะไรถึงได้แน่ใจอย่างนั้นที่ทุกคนแน่ใจเช่นนั้นเพราะช้างนาราชีรีเป็นช้างหลวงไม่มีใครบังอาจไปปล่อยมาได้นอกจากจะได้รับบัญชาจากพระเจ้าแผ่นดินนับว่ามีเหตุผลแล้วยังไงต่อไปท่านผู้มีอายุความรู้สึก โรธแค้นชิงชังต่อพระราชาองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นแต่ประชาชนทั่วไปฝูงชนจับกลุ่มกันบุกพาบุกการพระเจ้าอาชาสกุลยังเปิดเผยทาให้กษัตริย์หนุ่มไม่สบายพระทัไทยที่ได้เห็นท่าทางอันไม่ไว้วางใจของประชาชนและพระองค์ทำยังไงก่อนที่แผ่นดินจะลุกเป็นไฟพระองค์ก็ทรงแก้ไขสถานการ์แก้แบบไหนหละ่ะ พระองค์ประกาศเลิกคบคาสมาคมกับพระเทวทัตแล้วมีบัญชาให้ถอนการบำรุงพระเทวทัตด้วยสําหรับห้าร้อยนั่นเสียการกระทําของพระองค์ได้ผลทันตาเห็นเหมือนกันได้ผลทันตาเห็นยังไงท่านผู้อุโสประชาชนลดการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความโกรธแค้นลงแล้วทางฝ่ายพระเทวทัตละ่ะพระเทวทัตเมื่อประสบความล้มเหลว และถูกตัดไมตรีจากพระเจ้าแผ่นดินหมดสิ้นลากหยดก็ประสบความทุกข์เป็นอย่างมากคราวนี้เห็นที่จะเลิกล้มความคิดชั่วๆได้สักทีไม่หรอกยังไม่เลิกล้มความคิดยังคิดชั่วอยู่อีกพระเทวทัตยังคิดชั่วอีกเหรอท่านผู้มีอายุถูกแล้ว วิสัยพานย่อมไม่เลิกล้มแผนการชั่วง่ายๆเมื่อไม่สามารถจะเอาชนะด้วยแผนร้ายจึงคิดเอาชนะใจประชาชนด้วยแผนการดีพระเทวทัตทำยังไงล่ะที่ว่าเป็นแผนการดีเพราะเทวทัตทำอย่างนี้ท่านผู้เจริ ญ, ร ว, รญวันหนึ่ง ขณะที่พระภู้มีพระภาคกําลังแสดงพระธรรมเทศนาท่ามกลางพุทธบริษัทอยู่นั้นพระเทวทัตก็เข้าเฝ้ากราบทูลพระองค์ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะกราบทูลไม่เรื่องอะไรก็พูดมาเถอดพระเทวทัตข้าพเจ้าจะขอวัตถุห้าประการจากพระองค์วัตถุห้าประการคืออะไรหนึ่ง ขอพระองค์ทรงบัญญัติให้พิสูจทั้งหลายอยู่ในป่าตลอดชีวิตสองอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตสาเที่ยววิ่งสะบัดเป็นวัดตลอดชีวิตสี่ทรงผ้าบางสุ ก, กุลตลอดชีวิตห้ า, ห า, หาเวน้นแต่การฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอวัตถุภาคประการนี้ขอพระองค์ทรงบัญญัติเมื่อพุทธบริษัททั้ทหททงหลาย ได้ฟังข้อเสนอห้าประการของพระเทวทัตแล้วต่างก็ทราบทันทีว่าพระเทวทัตมีเจตนาจะเอาชนะจิตใจของประชาชนผู้เลื่อมใสในการปฏิบัติอย่างอุตตรเพื่อจะแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนมีเจตนาดีต่อพระศาสนามุ่งมันต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์แต่ทุกคนก็ทราบดีว่า นั่นเป็นเพียงแผนการล่อลวงโลกเพื่อปาดครองของตนเองพระบรมศาสดาซึ่งทราบเจตานาอันไม่บริสุทธิ์ของพระเทวทัตก็ได้กรัดตอบอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงอยู่ป่าเถอะความจรงิงพระเทวทัตก็ทราบเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคคงไม่คลอยตามคำขอ และที่ทูลก็เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการโฆษณาของตนและใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรำพระพุทธองค์เท่านั้นหลังจากนั้นพระเทวทัตก็จะโฆษณาต่อไปท่านผู้มีอายุเท่างไรท่านคงจะเห็นแล้วว่าคำพูดของกพเจา้ากับพระผู้มีพระภาคอันไหนจะงามกว่ากันกบเจ้าเสนอวัตถุภาประการาแก่พระผู้มีพระภาค เพื่อให้พิกษุสงฆ์งพร้อมในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์โดยพลันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นด้วยแสดงว่าพระองค์ทรงดีในการปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อความสำราญในโลกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็จงตามกบเจ้ามาปายพิสุบวชใหม่ยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัยดียังไม่เห็นคุณพระาศาสดา เมื่อได้ยินคำชักชวนของพระเทวทัตก็เกิดความเลื่อมใสและไปเข้าพักพวกพระเทวทัตเป็นจำนวนประมาณห้าร้อยลูกเรื่องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้เจริญและต่อจากนั้นละ่ะพระเทวทัตทำยังไงต่อไปพระเทวทัตพร้อมโดยบริวาร ก็ทุกขอปัดใจจากเราชนผู้เลื่อมใสในสิ่งเศร้าหมองบริโภคเรีย้ยงชีพต่อมาในเวลาเดียวกันก็พยายามทำลายสงให้แตกแยกเป็นสองฝ่ายแม้จะถูกพระบรมศาสดาห้ามปรามก็หาเชื่อฟังไม่พระเทวทัตทำสำเร็จไหมสำเร็จพระเทวทัตแยกทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากและทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ด้วยอากับกิริยาและลีลาการแสดงธรรมอย่างเดียวกับพระบรมศาสดาหลังจากนั้นก็พาพระภิกษุสง์บริวารไปสู่ขยาสีประเทศทางทิศใต้พระนครราชครึกพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ไหมทรงทราบเป็นอย่างดีทีเดียวอืมแต่พระองค์ทํำยังไงพระองค์ทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปเกลี้ยกล่อมภิกษุใหม่ แล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างได้บริวารของพระเทวทัตกลับคืนมาได้บางส่วนแต่หลังจากประทับอยู่ที่พระเวรวัรมหาวิหารเป็นเวลาพอสมควรแล้วพระบรมศาสดา ก, ก็เสด็จไปยังนครสาวัตถีแล้วท่านผู้มีอายุล่ะไม่จะไปด้วยหรอกเลยล่าวข้าพเจ้าไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเพราะเป็นวงมารดาซึ่งชราอยู่ที่หมู่บ้านนี้ เมื่อพระบรมศาสาศดาสเสด็จไปแล้วเ้าพระเจ้าจึงอำลาพระเวรุวนณารามกลับมาที่นี่ หลังจากที่พักพ่ออยู่กับหมู่บ้านกับพิษุนิมละสามราตรีแล้ ว, ลวก็อำลาออกเดินทางต่อไปจุดมุ่งหมายคือเวลุวนารามเมื่อได้ฟังข่าวร้ายจากพิสุนิมละแล้วก็เกิดเป็นห่วงพระเวลุวันที่เคยอาศัยมานานเป็นกำลังรู้สึกในความผิดอยู่บ้านที่หลงเชื่อคารมพระเทวทัตและยอมยกพระเวลุวัน ให้อยู่ในความคุ้มครองของท่านจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงขึ้น ในที่สุดก็มาถึงเวลุวานารามในตอนบ่ายเกิดความเศร้าใจขึ้นมาทันทีพระอารามอยู่ในสภาพเงียบเหงาวางเวงเพราะภิกษุส่วนใหญ่ตามเสด็จพระบรมศาสด า, าไปยังกรุงสาวัตถีเหลือแต่พระภิกษุชราไม่สามารถจะเดินทางไกลไปได้เพียงไม่กี่องค์ในจานวนนั้นมีภิกษุแก่อยู่องค์หนึ่ง ซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาชื่อธรรมปาาละท่านดีใจจนน้ำตาไหลเมื่อเห็นท่านได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งท่านไม่ได้รับรู้เรื่องเพิ่มเติมจากที่ได้ฟังมาแล้วจากพระนิมบาละข้าพเจ้าดีใจจริงๆที่ได้เห็นท่านกลับมาข้าพเจ้า